เมืองไทยเนี่ยนะเขามีแนวคิดในการสอนลูกที่น่าสนใจนะลูกสาวเขาเล่าว่าสมัยที่ยังเป็นยังเป็นเด็กเนี่ยก็ไปเรียนที่อเมริกาก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะก็เป็นวัยรุ่นละปรากฏว่ารถเนี่ยของเขาเนี่ยหายก็ไม่กลา้านะโทรศัพท์มาบอกพ่อที่เมืองไทยนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาแจ้งข่าว เธอกลัวว่าพ่อจะโกรธจะว่าว่าทาไมดูดูแลรถไม่ดีปรากว่าพ่อไม่โกรธเลยพ่อกลับบอกว่าให้ลูกรีบไปซื้อรถมาเร็วๆนะเพราะว่าต้องใช้รถในในการรับส่งน้องๆนะต่อมาเธอก็เรียนจบแล้วก็มาทํางานที่เมืองไทยก็มีช่วงหนึ่งนะปรากว่าเธอเนี่ยวางกระเป๋าเงินเนี่ยผิดที่ผิดทาง แล้วก็เลยหาไม่เจอพอพ่อรู้เข้านี้พ่อโกรธมากเลยนะเธอนี่งงเลยนะไอตอนรถหายนี่พ่อไม่โกรธนะทั้งที่รถเนี่ยราคามันแพงกว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าเยอะเลยอันทีแรกเนี่ยลูกสาวก็คงคิดว่าลูกพ่อโกรธก็เพราะว่า ไอ้เงินหายไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีเอกสารสำคัญนะในกระเป๋านะเช่นบัตรเครดิตบัตรประชาชนนะใบขับขี่พวกนี้นี่มันก็เป็นสิส่งที่สำคัญนะ เ, เราะเฉพาะถ้าบัตรเครดิตหายนี่ก็อาจจะทาให้ต้องเสียเงินอีกมากมายนะเพราะคนที่เขาได้ไปก็คงจะเอาไป ใช้นะแต่ปรกฏว่าพ่อไม่ได้โกรธเพราะเหตุนั้นนะพ่อก็ให้เหตุผลว่าเวลารถของลูกหายเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของลูกนะคนอื่นเข้ามาขโมยรถของลูกไปนะแต่ถ้าลูกวางกระเป๋าผิดที่ผิดทางเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของลูกนะหรือว่าเป็นความเผลอเลอของลูก อันนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้องนะรถหายนี่ไม่ใช่ความผิดของลูกนะเพราะว่ามันมีคนวิชาชีพมาเอาไปแต่วางกระเป๋าเงินผิดที่ผิดทางเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของลูกมันเป็นความเผ ล, ลอเลยนนะซึ่งไม่สมควรและนั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวนะพอกอธิบายว่าเนี่ยเมื่อลูกวางกระเป๋าเงินผิดที่ผิดทางเนี่ยมันก็ไปลอดตาให้คนเนี่ย อยากจะขโมยไปถ้าเขาเอาไปแล้วเขาไม่ถูกจับเขาก็ได้ใจแล้วก็จะทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาถูกจับขึ้นมานะเขาก็ต้องเสียงานเสียการไม่ใช่แค่นั้นนะเขาก็มีครอบครัวนะเมื่อเจ้าตัวถูกจับเนี่ย ลูกเมียก็เดือดร้อนไปด้วยนะมันก็เกิดผลเสียมากมายไอ้ความไอ้ผลเสียนี้ก็เป็นผลมาจากความเผลอเลอะของลูกเนี่ยแหละแนะพ่อจึงโกรธอันนี้เป็นคำสอนที่น่าสนใจนะของพ่อนะคือลดหายไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่าวางกระเป๋าเงินผิดที่ผิดทางก็ตามแลก็อย่าวางเงินกระเป๋าเงินผิดที่ผิดทางถึงแม้ว่า เงินทองในกระเป๋ามันจะน้อยกว่าค่ารถลหลักมูลค่าของรถนะแต่ว่ามันจะก่อให้เกิดผลเสียมากมายสิ่งที่พ่อต้องการบอกลูกคือว่าเราเดือดร้อนไม่เป็นไรนะแต่อย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยโดยเราะจะเป็นการเดือดร้อนจากการกระทําที่ไม่ถูกต้องเช่นความประมาทความเผลอเลอของเราเาคนส่วนใหญ่เนี่คิดตรงข้ามนะว่าถ้าเราเดือดร้อนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะแต่คนอื่นเดือดร้อนนี่ไม่เป็นไร บางทีพ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้สอนลูกแบบนี้นะแต่ว่าไ uh อการปฏิบัติตัวนี่ทําให้ลูก <f irm id> อาจจะเข้าใจไปว่าเออเราเดือดร้อนไม่เป็นไรอ่าเราเดือดร้อนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าคนอ mm. นะื่นเดือดร้อนนี่ไม่เป็นไรอัสรชาพุนนี่นะคำสอนที่ว่าเนี่ยเราเดือดร้อนไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้คนอนื่นเดือดร้อนนี่เป็นเรื่องสําคัญนะคนอื่นเอาเปรียบเรา ไม่หนักหนาเท่ากับเราไปเอาเปรียบเขานะคนเอาเปรียบเรานี่เราก็เสียหายนะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเราไปเอาเปรียบเขานะเพราะถ้าเราเอาเปรียบเขานี่มันเป็นบาปล้วนะแล้วก็มันก่อความต่อร้อนกับผู้อื่นมากเขาด่าเราไม่เป็นไรนะแต่เราอย่าไปด่าเขาก็แล้วกันเขาโกรธเรานะยังไม่หนักหนาเท่ากับว่าเราไปโกรธเขานะพระเจ้าตรัสว่า ผู้ใดโกรธคนที่ด่าเรานะผู้นั้นเนี่ยง้อวกว่าเขาหรือพูดแล้วบางทีท่านก็พูดแล้วผู้นั้นเลวกว่าเขาเพราะอะไรเพราะว่าทำลายทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านทำลายประโยชน์ท่านก็คือไปทำให้เขาเดือดร้อนทำให้เขาทุกข์แล้วก็ทำลายประโยชน์ตนก็คือว่าเมื่อมีความโกรธอยู่ในใจเราก็เหมือนกับไฟนะเผาจิตเผาเผาใจเร า, เาลองพิจารณาดูนะ เรื่องว่าเราเดือดร้อนไม่เป็นไรแต่อย่าให้คนเดือดร้อนนี่ก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะก็มีศิลปินคนนึงเขาเล่าว่าช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยเขาเจอปัญหาเยอะมากเลยจกกนกระทั่งเป็นหนี้สินมากมายก็คงจะ <c oughs> หลายสิบล้านนะ น, นะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรก็เลยตัดสินใจจะฆ่าตัวตาย ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเช้าตรู่พอดีนะอง ค, คุ้นคิดอยู่ทั้งคืนนะนอนไม่หลับไม่รู้ว่ากินเหล้ายอมใจด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้ตัดสินใจฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายยังไงฆ่าตัวตายด้วยการเนี่ยโดดลงมาจากตึกนะตึกมันสูงก็ไปที่ระเบียงนะแล้วก็เตรียมตัวจะโดดลงมาพระเอินลงมาข้างล่างเนี่ยเห็นตรงจุดที่ตัวเองจะตกลงมาเนี่ยมัน มันมีมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซครับจ้างสองคนกําลังคุยกันอยู่ถ้าแกโดดลงมาตรงนั้นเนี่ยนะตรงจุดที่ตั้งใจไว้เนี่ยก็คงจะตกมาทับมอเตอร์ไซค์ทับคนขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงนั้นแกก็ได้ระลึกถึงคําสอนของแม่นะแม่บอกว่าเนี่ยจะทําแล้วก็ตามอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนแกก็เลยคิดว่าเนี่ยไหนๆเราจะฆ่าตัวตายแล้วนี่อย่าไปโ ด, ดลงมาให้คนอื่นต้องไปพลอยเดือดร้อน กับเราด้วยก็เลยจะเปลี่ยนจุดที่จะโดดนะไอตอนที่เปลี่ยนจุดที่จะโดดลงมาเนี่ยก็เหลือบเห็นแสงเงินแสงทองนั้นตึกมันสูงเนี่ยนะเป็นประเภทว่าตึกสูงคงเป็นสิบชั้นนั่นนะก็เหลือเห็นแสงเงินแสงทองกําลังประกายนะสีสวยเลยแล้วเกิดได้สติขึ้นมาเกิดมีความหวังขึ้นมา คนเรานี่เวลาหัดหูนะพอได้เจอแสงเงินแสงทองเรียนพระาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันเกิดกําลังใจนะแล้วเกิดได้คิดขึ้นมาว่าเนี่ยมันไม่มีคืนไหนที่มืดสนิทหรือว่ามื ด, ม, ด, ม, ดมิดไปตลอดนะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีอ่าพระาทิตย์ขึ้นก็เหมือนกับชีวิตแกนะที่มันก็คงจะไม่มื ด, ม, ดมิดไปตลอดนะสักวันหนึ่งก็คงมีความหวังขึ้นมาเจอก็เลยเปลี่ยนใจนะ ได้สติขึ้นมาก็เลยไม่ฆ่าตัวตายแล้วก็ตอนหลังก็ปรากฏว่าชีวิตก็าลาบลื่นมากขึ้นนะหนี้สินต่างๆก็ค่อยๆแก้ค่อยๆขา ย, ขายกันไปก็กลับมามีชีวิตใหม่ที่มีความสุขนะอันนี้แกก็เลยบอกเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณที่แม่ได้เตือนเอาไว้นะ แม่สอนง่ายๆนะไม่ได้สอนอะไรยากนะว่าทำอะไรเนี่ยอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะไอ้คำสอนง่ายๆแบบนี้ก็ทำให้แกรอดตายได้นะที่จริงเนี่ยก็ถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนจุดนะไม่เปลี่ยนจุดโดดลงมานี่ก็คงจะไม่ไม่เหลือเห็นไม่ชํำเรืองเห็นแสงเงินแสงทองแล้วก็ชีวิตกคงจ ะ, ะมืดมิดนะ ก็มีหลายคนนะที่เขาเนี่ยเปลี่ยนใจได้สติเนี่ยตอนที่ได้เห็นแสงเงินแสงทองเห็นพระทิศกำลังขึ้นนะมันเหมือนกับเตือนให้ตระหนักว่าชีวิตคนเรานี่มีความหวังเสมอนะแต่ว่าประเด็นที่นะที่อยากจะเน้นนะในเช้าวันนี้คื อ, อคำสอนนะของแม่และของพ่อนะทั้งสองกรณีนะที่บอกว่าเนี่ย เราเดือดร้อนไม่เป็นไรนะแต่อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนนะใครเขาจะโกงเราไปนะใครเขาจะขโมยรถเราไปเนี่ย น, นั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญนะ่อยู่ที่ว่าเราไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่าแม้กระทั่งแม้จะไม่ตั้งใจนะเป็นแค่ความเผลอเรินนะเช่นแค่วางกระเป๋าเงินผิดที่เนี่ยมันก็สามารถจะเป็นการสร้างสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้เพราะว่ามันก็เป็นการลอดตาลอดใจ นะให้คนอื่นเนี่ยทำชั่วบางทีคนที่เอาเงินไปก็อาจจะไม่ใช่ใครอาจจะเป็นคนในสำนักงานอาจจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันอาจจะเป็นลูกน้องที่เขาหักห้ามใจไม่อยู่พอเ้าทาไปแล้วนี่เขาก็รู้สึกผิดละเขาก็ต้องหลบหน้าไม่สู้หน้าแล้วเขาก็มีความรู้สึกทุกข์ร้อนอยู่ร้อนนอนทุกข์นะ มันก็กลายเป็นปัญหาที่ติดตามมาคนบางคนเนี่ยเขาทำชั่วเนี่ยไม่ได้เพราะความตั้งใจนะแต่เพราะว่าความความลืมตัวความเผลสติเพียงแค่ชั่ววูบนะเห็นเงินเห็นสร้อยคอเห็นโทรศัพท์นะแล้วก็ยิ่งถ้าตอนนั้นร้อนเงินด้วยนะแม่ป่วยลูกไม่สบายหรือว่าเจ้าหนี้กำลัง มาค่าทันหรือว่าบางทีไม่มีเงินค่าไม่มีค่าเช่าบ้านไม่มีเงินค่าเช่าหอหรือบางคนอาจจะไม่มีเงินค่าเล่าเรียนมันก็อาจจะเผลอทำช่วได้อย่างที่เคยเล่านะเด็กว่าสุทัศน์เนี่ยก็เป็นเด็กดีนะแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนเรียนมหาวิทยาลยไม่รู้ทำยังไงก็เลย หาท้องออกด้วยการไปจับนกพิรามาจับนกพิาราบสุทัศน์นะเพราะว่านกพิาราบสุดทันนี่เพียบเลยนะแถวสาวชิงช้าจับมาได้เป็นสิบตัวแนละ้วขายตัวละยี่สบห้าบาทสามสิบาทก็พอได้เป็นค่าเราเรียนนะสมัยก่อนค่าเราเรียนก็ไม่แพงนะั้นหน่วยกินละยีสบห้าบาทนะถ้าเป็นหมาทลัยไลประมาณสี่ห้าร้อยนี่ก็เรียนได้ลัดเทอมหนึ่งนะแต่ก็โชคดีนะที่มี มีคนเห็นและคนเห็นนั่นเาก็ก็ช่วยเอาไว้ได้นะปล่อยนกทั้งหมดแล้วก็เอาเงินห้าร้อยบาทใส่ไว้ในไวในกระสอบโดยที่ไม่บอกว่าเป็นใครซึ่งก็เป็นความฉลาดนะและความเมตตาของหลวงพ่อคนนั้นที่จริงต่หลังมารู้นเป็นหลวงพ่อนะเป็นพระในวัดถ้าไม่อยากให้เด็กทำชั่วมันจะกลายเป็นตาบาปติดตัว แล้วก็ไม่อยากเปิดเผยตัวเพราะว่าถ้าเปิดเผยตัวแล้วเด็กจะอับอายว่ามีคนรู้ว่าตัวเองทาชั่วนะเด็กวันนี่ขโมยหรือว่าจับจับล็อลกในวันนี่มันบาปมากนะเคยมีเด็กวัดนะที่นี่นะไปจับไก่ป่าในวัดนะแถวหอไตนะอันนี้ก็ก็เรียกว่าทำบาปที่มันจะฝังใจไว้มากทีเดียว แต่ว่าพอพระท่านช่วยไว้นะก็ทําให้อ่าเด็กคนนั้นไม่ทําชั่วนะก็เอาเงินไปไปจ่ายค่า เ, าเรียนแล้วก็สามารถที่จะเรียนจนกระทั่งได้รับราชการตอนหลังก็กลายเป็นรองผู้ว่าอถ้าหากว่าชีวิตนี้หักเหเพราะว่าไปจับนกม า, มาขายนี่มันก็คงจะไม่เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้วก็ราชการอันนี้ก็นะอ ก็ฝากเอาไว้นะเราเดือดร้อนไม่เป็นไรอย่าให้ใครเดือดร้อนใครด่าเราไม่เป็นไรแต่เราจะไปด่าเขาใครนินทาเราไม่เป็นไรแต่เราจะไปนินทาเขานะอันนี้มันจะทําให้ช่วยเรามีหลักมีฐานในทางธรรมได้